ความเบื่อหน่ายอารมณ์ด้านมืดในตนเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ยอมลดอัตตา ม, มาณนะถ้าคิดดีๆคงไม่มีใครอยากงัดข้อกับความรักและไม่มีใครอยากจับมือกับความเกลียดต่ดูเหมือนอัตตา ม, มาณนะแบบมนุษย์บีบให้ไม่อาจหยุดจับมือกับความเกลียดและงัดข้อกับความรักต่อไปคลายเห็นเป็นเรื่องสนุก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 จึงไม่ใช่ทุกคนที่ยอมลดอัตตามานะส่วนใหญ่เลือก้าข้างอัตตามานะต่อไปอยังมั่นคงความอยากอารมณ์ดีมีใจสุขสบายเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ไม่ทุกคนที่เห็นโทษของโทสะอันเร่าร้อนจึงไม่ใช่ทุกคนที่ยอมลดโทสะส่วนใหญ่เลือกเป็นลูกสมุนโทสะไปจนตาย